พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าชะล่าใจในร่างกายอันนี้ วันนี้เป็นวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2557วันนี้หลวงพ่อจะได้มอบเครื่องมือแพทย์ช่วงบ่ายเนะนี่ยอาจารย์งอสมชายเขามานั่งอยู่ข้างๆมาจากศรีนครินแต่ตอนบ่ายคงจะนัดหมู่พกเพื่อนมารับเครื่องมือแพทย์ที่จะ มอบให้โรงพยาบาลศรีนครินราคาล้านเจ็ดแสนือทางอาจารย์ต่อรองกับบริษัทอย่างสุดๆแล้วนะราคาล้านเจ็ดก็จะได้มอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินแต่ลุงพ่อเองก็ยังไม่เคยที่จะมอบมอบแต่ว่ามูลนิธิสร้าง ตึกสงอาพาดเพื่อมาช่วยทำตึกสงอาพาดที่ชั้น10ิตึกสมเด็จยา่าแล้วก็ได้ช่วยเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับตึกแต่เครื่องมือข้างนอกเนะี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยทะลลึกไดนะ้ยังไม่เคยที่จะให้แต่ถ้าโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรหลวงพ่อเคยให้เครื่องมือเครื่องมือแพทย์ แต่คราวนี้ทางสีนกครินมีความประสงค์อยากจะได้เครื่องมือเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงเลือดไม่ออกหลวงพ่อก็เห็นด้วยเพราะว่าการที่ผ่าตัดทุกวันนี้ที่จะใช้เลือดมากๆก็หาเลือดอยากอีกเหมือนกันเพราะเลือดทุกวันนี้มันวิทยาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เก่งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นพิษภัยมากขึ้นพราะว่าในเลือดอาจจะมีเชื้อไวรัส B ีไวรัสซีอเอสดอะไรตัวมีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดอพอหาเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งเจอเพราะนั้นจะเอาเชื้อเหล่านั้นเข้าไปกับคนกำลังป่วยอยู่ก็ไม่ ไม่ถูกต้องเพราะรู้รู้อยูนะ่เพราะนั้นมีเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาตัดเข้าไปแล้วเลือดไม่ออกห้ามเลือดในตัวคนป่วยก็ไม่เสียเลือดหลวงพ่อพิจนารณาหรือว่าเห็นตามที่หมออาจารย์หมอได้มาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้ยวยคือเอา้าไม่แพงขนาดนี้ไม่แพงแต่ขนาดหลวงพ่อจนๆนะไม่แพง เพราะเหตุหลเพรเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนจะถูปัจจัยที่ได้มานั้นได้มาจากพี่น้องประชาชนที่มาถวายมาคนละมากคนละน้อยหลวงพว่อเก็บหอมรอ ม, ร, อมริบไว้แล้วก็อนะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อวัดวาศาสนาด้วยนะนี่แหละอันนี้ก็คือวันนี้จะได้มอบเครื่องมือตัวนี้นะแล้วก็ อาการเป็นหวัดของหลวงพ่อพวกลคณะสัตธาญาติโยมพระในลูกหลานก็คงเป็นห่วงเออวัดของหลวงพ่อไปถึงไหนแล้ววะเออพอาะหลวงพ่อเป็นหวัดหนักมาหลายๆวันตั้งแต่วันที่ยี่สี่แตนี่ยวันวันที่ยี่สบเก้วัดของหลวงพ่อรู้สึกว่าดีขึ้นนะวันนี้ถ้าจะว่าหายขาดทีเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นของประมาณทักแปดสิบเอร์เซ็กะคิดว่าคงจะ หายอีกไม่กี่วันถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยถึงมาถึงจะหายข่าวนี้ก็เถอะนะจะไปดีใจเพราะว่าโดยมากคนเราเนี่ยตายเพราะหวัดนะตายเพราะเสลดพันคอบางทีพอโค้งสุดท้ายเนี่ยพอติดเชื้อเข้าไปแล้วก็เป็นหวัดพอเป็นหวัดแล้วก็เสลดเข้าไปในคอดูดเสลตออกไม่หวัดไม่ไหว บลในสุดก็มรณะพระก็มรณะภาพสุดท้ายญาติโยมก็หวาตายเพราะเกี่ยวกับวัดไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะเหตุว่าเสลิดออกไปพันขอบมันออกไม่ได้มันไปปิดรูรูหายใจเข้าออกรูลมหายใจเข้าออกมันจะไปไหวเลยผลในสุดก็นั่นมรณะเพราะนั้นวัดตัวนี้แหละ ที่จะฆ่าคู่ฆ่าคนไม่ใช่น้อยเหมือนกันต่อไปภายภาคหน้าแต่คราวนี้เราชนะมันเราจะไปดีใจนะพญามัจจุราชเขาส่งทหารเข้าม า, าแยมแยมดูพญามัจจุราชส่งทหารขุนศึกเขาเข้ามาเย็บเย็ดูแต่ตัวเองใช้ขุนพลเพศสัตว์ขุนพล ยาขุณพลอะไรต่อไม่อะไรออกไปสู้ชนะขาวนี้ก็ดีใจไม่ควรจะดีใจเพราะว่าศึกขาวหน้าเนี่ยใหญ่หลวงนักที่จะต้องมาถล่มเราเพราะนั้นให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอถึงชนะขาวนี้ก็เถอะนะแต่ครั้งต่อไปขาวต่อไปก็เกิดขึ้นมาอีกได้อีกนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่า พาราหเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักขันทั้งห้าคืออะไรคือตาหูจมูกเล่นกายตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยขันทั้งห้าเป็นภาระหนักใจของเราจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกด็ดูพาหลับพานอนพาขับพาทายพาอยู่พากินพาออกกําลังกาย พาอะไรบางทีเกินไปนะั่นนะบางทีใจของเราก็พาออกนอกลู่นอกทางเกินไปเหมือนกันนะทั้งที่จะอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบพอธรรมดาเนะ่ยต่อไปก็ออกพาออกนู่นออกนอกลู่นอกทางพาทาความชั่วไปอีกเพราะเหตุใดเพราะใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเราไม่มีกรอบ ใจของเราขาดศีลธรรมจริยธรรมใจของเราพารมพากายนี่ออกไปนอกลูก่นอกทางอย่างสุดโต่งพาทมความชั่วสรุปแล้วอันไหเป็นความชั่วเสียหายใจพารมอันนั้นแปลว่าใจใจของเราเนี่ยพากายของเราเนี่ยออกไปในทางนอกกรอบแต่ถ้าหากว่าอยู่ในกรอบเนี่ยแปลว่าใจเป็นภาระอันหนักจะต้องดูแลร่างกาย พาอยู่าพากินพาขับพาถ่ายพาออกกําลังกายเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ท่านหมดจดจากกิเลสแล้วน ะ, ะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านมองดูร่างกายเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่ดูเด็กลักษณะยังไงล่ะดูเด็กท่านมองร่างกายเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่ดูเด็กมันมันหิวเหรอเอาให้มันกินมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ ใจของเราก็ดูเหมือนกับผู้ใหญ่ดูแลเด็กจาลักษณะอย่างนั้นะอันนี้ก็คือการดูแลร่างกายนะวาพาราฮาเวบรรจากขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกระยาลุ่มหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ของตนเองจนเกินไปอีกสักวันหนึ่ง จะต้องเจอมรสุมอันใหญ่คือมรณะภัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูด น, นแต่คราวนี้เราชนะเขาได้เอารักเอาเภสัชเอาย า, าขุนพลเพศสัตชข้นพลยาทั้งหลายแหละมาลุมมาตุ้มทหารพยามเมจุราชก็ถอยล่าถอ ย, ถ อ, ยออกไปพวกเราจะไปดีใจนะ แปลว่าให้เตรียมพร้อมมาไว้แต่ข่าวนี้ครั้งต่อไปนะอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่รู้เพราะนั้นให้ให้เราเตรียมพร้อมเก็บพร้อมรอมริบทรัพย์สมบัติของเราอันไหนที่ควรจะได้ให้ทานบั่งรักษาศีลบั่งภาวนาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนานี่ยนะสิ่งจําเป็นสําคัญเพราะเราไม่ได้ลงทุนมากไม่ได้เดือดร้อนกับใครมีแต่เป็นสมบัติของตนเอง เราจะอยู่ที่ไหนเรานั่งก็ได้หาหมุมสงบตรงไหนที่มันเย็นสบายแล้วเงื่อไม่มียุงเสร็จแล้วเราก็นั่งหรือใส่หมุงครอบเข้าไปแล้วก็นั่ ง, ห, ง, างหาหมุมสงบนั่งภาวนาดูจิตดูใจของตนเองอันนี้แหละเลิศประเสริฐที่สุดพุทโธพุทโธ ท, ทานะรมจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบพอเป็นพื้นเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณา ร่างกายสังขารเหมือนเป็นของไม่อย่างยืนอีกสักวันหนึ่งแต่ตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่ๆร่างกายอันนี้ที่เราเห็นเห็นมาไม่เป็นอย่างอื่นปูย่ย่าตา ย, ยายของเราก็เผากันไม่ลู้กี่ครั้งกี่หนกี่คนมาแล้วข้าพเจ้าก็คงจะเหมือนนั้นแหละไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้ร่างกายสังขารของเรานี่คือให้คิดอย่างนั้นอันนี้แหละคือการภาวนา ค้นคิดหาเหตุผลค้นคิดหาความจริงเข้ามาสู่ใจของเราเมื่อเราเห็นความจริงแนละ้วใจของเราจะไม่ประมาทเอเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมก็คือเตรียมคุณงามความดีอะไรท่นจากนั้นก็สั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆกระดาษร่างกายของเราเนี่ยยังเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ จะต้องถึงจุดจบอนี่แหละอันนี้ให้เราคิดเอาไว้ในใจของเราหรือเราจะพูดหรือไม่พูดก็ให้อยู่ในใจแต่ถ้าว่าหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นผู้ได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาถ้าหลวงพ่อไม่พูดพวกเรากคงไม่เข้าใจถ้าหลวงพ่อพูด ขึ้นมาก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยเอาความตายมาขู่กันมาพูดให้กันกลัวถ้าหลวงพ่อไม่พูดอะแล้วใครจะมาพูดเราจะรู้ได้อย่างไรหลวงพ่อก็รู้ไม่ได้เหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์ไม่พูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์หลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่อได้ยินก็เออใช่ในเมื่อรับใช้หลวงพ่อว่าใช่พอใช่แล้วแต่หลวงพ่อก็ต้องมาขยายผลให้กับพวกเราอีก ให้พวกเราได้รู้ได้ทราบอีกจริงไหมที่หลวงพ่อได้ยินมาอย่างนี้นะีอร่างกายสังขารมันไปตามสภาพของมันอีกสักวันหนึ่งปู่ย่าตายายของเราไปไหนหมดตายหมดเราจะไม่ตายเหรอแต่เหมือนกับพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับเอาความตายมาขู่กันอย่างที่ว่าแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ขู่เอาความจริงมาเล่ามาบอกมากล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง อย่าลืมตัวหลงตัวอย่ามัวเมาในการเป็นอยู่ของตนเองจนเกินไปนะสรุปแล้วให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรมให้รู้จักผลทางของตนเอง ต, อต่อไปในอนาคตเราจะเดินอย่างไรในชีวิตของเราเราจะเดินอย่างไรต่อไปภายภาคหน้านีา่ไม่ใช่เราจะอยู่เพียงแค่นี้นะ เ, เราไม่ใช่ว่าตายแล้วศูน์นะตายแล้วเกิดนะ ในหลักธรรมคมสอนของพระพุทธเจา้าตายแล้วเกิดออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปสู่ปณโลกภายภาคหน้าอีกออกจากร่างนี้แล้วนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าข่าวที่หลวงพ่อหายจากการเป็นวัดวัดคิดว่ามันจะหนักพอสมควรแต่ก็โอสถเพศ มาลุมมาตุ่งเข้าไปมันก็เลยถอยถอยห่างออกไปแต่อย่าไปชราใจนะอย่าไปดีใจอีกสักวันหนึ่งนะมันคงจะเข้ามาอีกนะในเมื่อเข้ามาเขาหนาไม่รู้จะหนักหนาสาหัส่างไรเนีพอมันเป็นหวัดไม่ใช่ธรรมดานะปอดบวมเข้ามานิวโมเนียเข้าม า, ามันหนักเข้าไปเรื่อยๆผลีนสุดนะ้าน้ำท่วมปอดเข้ามานะ ผลที่สุดก็นัน่นนะไหวไหมถ้าไม่ไหวครทำยังไงตายตายแล้วถ้าเราเป็นพระใจของเราเป็นบริสุทธิ์รอยังเป็นพระหัรหระยังเป็นพระอริยบุคคลรอยังถ้ายังเราเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความหวังถ้าเป็นพระโสดาบันตายในขณะที่เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้สาเร็จเราก็เกิดชาติหนึ่ง สอสามชาติบ้างเจชาติเป็นสุดท้ายแปลว่าไม่เกินเจชาติพัสโสดาบันแปลว่าเกาะบันไดขั้นแรกได้แล้วพร้อมที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลถ้าหากว่ายังไม่ได้เป็นพัสโสดาบันยังเป็นปุตุชนอยู่อันนั้นแปลว่าเลื่อนรอยไปได้ทุกหัวและแห่งขึ้นขึ้นสูงสู ง, สงต่ำต่ำบางทีภาวนา ทำจิตใจเกิดเป็นพรมอยู่ชั้นพรมออกจากชั้นพรมลงมาแล้วอาจจะเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้ไปอยู่สวรรค์ตกมาแล้วอาจจะตกนรกหมกไหมก็ได้เป็นได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเป็นพระเรียะบุคคลเบื้องต้นแล้วก็เอออันนั้นไปว่าเราน่าอุ่นใจได้แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยเรายังไม่อุ่นใจนะ เราควรจะประกอบคุณงามความดีเรื่อยๆควรจะสั่งสมบุญกุศลเรื่อยๆให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะสรุปแล้วนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร